สิกขาบทที่10ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันทำเสียงดังจับจับในสิกขาบทที่ส0บนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจากะพรวักที่หจบ